Mm hmm. ที่นี่เมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนเคยมีหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งอยู่หน้าศาลานหน้าแล้วก็มีข้อความเขียนว่าที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิดที่เพิ่งรู้จักเด๋ยวนี้หินก้อนนั้นก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะแต่ว่า อ่าปณิธานที่ว่านี้ก็ยังมีอยู่หมายความว่าอยู่ที่นี่เราก็ชักชวนกันให้ปฏิบัติกันไม่ใช่ในฐานะคนแปลกหน้าแต่ว่าในฐานะที่เป็นมิตรที่เพิ่งรู้จักแม้จะไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงน้ำก็ตามเมื่อทุกคน มาที่นี่ด้วยใจเดียวกันนะก็เท่ากับว่าเป็นมิตรแก่กันและกันเมื่อได้มาที่นี่ก็เป็นโอกาสนะที่เราจะได้รู้จักเพื่อนใหม่มิตรใหม่ซึ่งหลายคนก็ได้พบว่านะ มทิที่ได้มารู้จักกันที่นี่นะก็ได้กลายเป็นกล ย, ยุทมิตรที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันหลายคนก็คบกันมาสิบยี่สิบปีเลยเริ่มต้นจากการที่มารู้จักกันที่นี่อันนี้ก็เป็นอานที่สองอย่างหนึ่งนะของการมาที่วัดป่าสุกโตเอยวแล้วก็ตามเนี่ย มิตรใหม่ที่เราน่าจะได้มีโอกาสรู้จักนะอย่างลึกซึ้งก็ยังมีอยู่นะและมิตรนี้เป็นมิตรที่สำคัญมากนะซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักมาก่อนก็คือจิตใจของเรานั่นแหละจิตเนี่ยนะนเป็น มิตรที่ประเสริฐที่สุดของเราก็ว่าได้แต่คนจนวนไม่น้อยก็ไม่ได้ตระหนักว่ามิตรทีประเสริฐที่สุดนะอยู่กับเราตลอดเวลาหลายคนเมื่อได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ถึงรู้จักถึงค้นพบว่าใจ หรือว่าจิตของเรานี่แหละนะเป็นมิธีเประเสร์ตที่สุดอันนี้แหละคือมิตรใหม่เพื่อนใหม่นะที่อยากให้เรามารู้จักหลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วนะแต่ก็มีชนวนไม่น้อยนะที่ไม่ได้ตระหนักไม่เฉลียวใจเลยนะว่ามิธีประเสร์ที่สุดนี่อยู่กับเราตลอดเวลา ไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นไม่ว่าอยู่บ้านหรือที่ทำงานอยากชักชวนให้เราได้มารู้จักมิทธทีประเสริฐนี้และถ้าหากว่าเราได้รู้จักได้ค้นพบมิตรที่ว่านี้นะก็ถือว่าการมาที่วัดป่าสุกตนคุ้มค่ามากที่จริง เราไม่ต้องไม่จเป็นต้องมาถึงนี่ก็ได้นะในการที่จะพบว่าจิตใจนี่เป็นนิี่ประเสริฐที่สุดของเราแต่ว่าบางครั้งการเดินทางเพื่อมารู้จักสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรานี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านก็อาจจะ ไม่มีโอกาสได้ใครควรพิจารณาหรือว่าค้นพบมิตรที่วานี้เลยบางครั้งการเดินทางเดินทางไกลก็จาเป็นสำหรับการค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วกับตัวเรามีเรื่องของมีเรื่องหนึ่งนะของเป็นเรื่องที่เล่ากันมานะเป็นเรื่องของลุงหมาน ลุงหมานี่เป็นชาวบ้านที่พัทลุงอยู่ในอำเภอที่ห่างไกลแกก็เป็นคนที่สมรนะยากจนแต่ว่าอบอ้อมอารีมีเมตตาแต่ก็มีหนี้สินเยอะนะไม่ใช่เพราะว่าตัวเองหรอกแต่เพราะว่าลูกหลานมาสร้างหนี้สร้างสินให้ ทั้งี่อยากจ น, นแต่ก็ยังมีน้ำใจเอื้อเฟือผู้อื่นแม้จะมีหนี้สินแกก็ไม่เคยตนหนีทีเหนียวแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แกฝันคืนแล้วคืนเล่านะเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยแกฝันถึงโรงเจแห่งหนึ่งนะที่แกงครออำเภอแกงครอในฝันนั้นหมอโดยสามดาวแกงครออยู่ชายภูม อีลงเจเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งใหญ่ในฝันแกเนี่ยขุดนะขุดดินตายต้นไม้ก็บอกว่าเจอคุมทรัพย์มหาศาลเลยแกตื่นขึ้นมานะแกก็คิดว่าเป็นแค่ความฝันแกไม่ได้สนใจอยู่แล้วเรื่องทรัพย์สมบัติถ้าเป็นคนทั่วไปนี่คงตื่นตาตื่นใจแต่แกไม่สนใจแต่ปรากฏว่า ฝันคืนแล้วคืนรอบเป็นอาทิตย์แจกก็เลยเอใจว่าหรือว่าเทวดานะจะมาบอกอะไรบางอย่างแก่แก่แจกก็เลยตัดสินใจนะเดินทางสัเสบียงก็มีไม่มากหรอกนะแจกก็ใช้วิธีโบกรถบ้างกว่าจะขึ้นมาถึงกรุงเทพก็หลายวัน ก็ยังบบกต่อมาอีกนะมาชัยภูมิบางช่วงก็ต้องนั่งรถประจำทางท้องถิ่นสุดท้ายก็มาถึงนะแก้งครอตามช่ว่าว่ามีโรงเจไหมก็บอกมีนะแล้แกก็ลองไปดูบอกว่าสิ่งที่แกเห็นนี่มันตรงกับในฝันเลยก็คือมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างๆแต่ที่ไม่เหมือนในฝันก็คือว่ามันมี ยามเฝ้าอยู่ใกล้ๆแกก็นั่งรอนะว่าถ้ายามไม่อยู่เมื่อไหร่นะแกก็จะไปขุดหาสมบัตินะใต้ต้นไม้นั้นแต่ว่ายามก็ยังอยู่อยู่จนทั้งวันเลยกลางคืนก็มียามเฝ้าอยู่แถวนั้นแกก็เลยต้อง หาที่หลับที่นอนแถวนั้นละ่ะกางเต้นเอาง่ายๆวันแรกก็เหลววันที่สองก็เหมือนเดิมนะมียามเฝ้าอยู่ตลอดทั้งวันแกก็นอนคลายวันที่3มก็เหมือนเช่นเดิมกเกเลยส้ว่าคงไม่มีหวังแล้วละ่ะระหว่างนั้นเนี่ยทีลองที่แกกาลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะ จะอยู่หรือไปนะยามก็เห็นก็เลยเดินมาหาแกถามว่าแกมาทาอะไรแกก็คิดว่าคงไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วล่ะมาถึงป่านนี้แล้วคงจะไม่มีอะไรแล้วคงเลวแล้วก็เลยบอกว่าแกนี่มาจากแดนไกลนะแล้วก็แกมาเพราะได้ฝันว่านะมันมีทรัพย์สมบัติอยู่ใต้ต้นไม้ยาม พอได้ยินก็หัวเราะเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อปีสองปีก่อนแกก็ฝันนะฝันว่าที่พัทลุงเนี่ยมีชนชื่อลุงหมานนะใต้เตียงเตียงนอนของลุงหมานเนี่ยนะมันมีสมบัติมหาศาลเลยยามก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเขาเชื่อความฝันเนี่ย ก็ไม่ไมีหมายความว่าต้องลงไปถึงพัทลุงเลยเหรอจะต้องไปตามหานะคนที่ชื่อลุงหมานใครนะนะที่จะทำโง่งๆแบบนั้นความฝันเชื่อได้ที่ไหนล่ะผมก็ฝันแบบ น, นี้เหมือนกันพอลุงหมานได้ฟังอีกแกก็เอดใจขึ้นมาเลยเพราะว่า แกก็ยังไม่ได้แนะนำตัวสักหน่ยว่าแกชื่ออะไรแต่ฝันของยามคนนั้นนี่มันทําให้แกตัดสินใจกลับบ้านไปเลยนะแกไปถึงบ้านแกทํางานแกก็เริ่มขุดเลยนะใต้เตียงนอนเจอเจอทรัพย์มหาศาลเลยนอกจากจ่ายหนี้จ่ายสินที่ลูกหลานทําแล้วนะแกก็ยังกลับมาอยู่อย่างสบายแล้วก็มีเงินมีทองเอาไว้ทําบุญศาสนาช่วยเหลือคนยากคนจน ถ้าลุงมาอุตส่าห์นะดันต้นไปถึงชัยภูมิแกล้งครอนะจากพัทลุงเนี่ยเป็นพันกิโลจะว่าไปมันก็ไม่สูญเปล่านะถึงแม้แกไม่เจอขุมทรัพย์ตายต้ตนไม้แต่มันก็ทำให้แกพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยขุมทรัพย์มาสานเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวแกมันอยู่บ้านแกตลอดเวลาการเดินทางนั้นก็ถือว่าคุ้มค่านะ แล้วก็ไม่คิดเลยว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลนั้นมันจะอยู่ใต้เตียงแกมาเป็นเวลานานนะหลายสิบปีอันนี้เขาต้องการบอกว่าอะไรเรื่องนี้ต้องการบอกว่าเนี่ยของดีนี่เองทีมันก็ไม่ได้อยู่ไหนหรอกมันอยู่ใกล้ตัวเราหรือมันอยูอ่แค่ปลายจมูกนี่เองเราเรื่องนี้ให ให้โยมนะฟังนะประกอบว่ารุ่งขึ้นนะก็มีคนมาเล่านะก็ เ, เป็นคนพัทลุงเหมือนกันนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องราวของเขานี่เหมือนกับเรื่องของลุงหมาเลยเขาเนี่ยเป็น n อ o นอนะเดินทางจากพัทลุงมาทำงานที่ภาคอีสานส่งเสริมชาวบ้านเกี่ยเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องทอผ้าเรื่องอาหารเรื่องยา เือให้ชาวบ้านเนี่ยได้ค้นพบภูมิได้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาตัวเองนะไม่ต้องตกเป็นท่าของบริโภคนิยมหรือว่าทุนนิยมโฆษสาส่งเส ร, ริมชาวบ้านในอีสานนะให้อ่านมาเงยหน้าอาปากนะด้วยาาสายภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งถูกละเลยแม้กระทั่งชาวบ้านด้วยกันเขาไม่เคยตระหนักเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเขาเองนั่นแหละนะแม่เขาเนี่ย เป็นนักทาขนมชั้นยอดเลยช่วงที่เขาได้ลางานนะมาอยู่บ้านเนี่ยก็ได้ชิมอาหารฝีมือแม่แล้วรู้สึกว่ามันเยี่ยมมากเลยเขาก็เลยได้ความคิดว่าเออไม่ต้องไปหากินไกลแล้วไม่ต้องไปทางอีสานแล้วอยู่บ้านนี่แหละแล้วก็เอาตำรับขนมของแม่นี่แหละนะมาเอามาหากินกับพี่สาว เพราะว่าทำเล่นๆนี่กลายเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าแทบจะไม่ว่างแล้วเพราะว่าได้อาศัยสูตรของแม่นี่แหละช่วยในเรื่องการฟื้นฟูฐานะเศรษฐกิจของตัวเองแล้วก็พี่สาวเรื่องเขาเนี่เหมือนกับเรื่องลุงหมาเนี่ยก็คือว่าอุตสาห์เดินทางไกลนะ สุดท้ายก็ไหนสือก็พบว่าของดีหรือว่าคุมทรัพย์นี่มันอยู่ที่บ้านเ้าตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอุ้มทรัพย์ที่ว่านี่มันมันไม่จาเป็นต้องเป็นเป็นทรพัพย์สมบัติที่ค้าขายอะไรได้หรือว่าเป็นสูตรอาหารนะไอ้คุมทรัพย์ที่สำคัญนะที่มีอยู่กับเราตลอดเวลานะ ใจของเรานี่แหละใจของเรานี่แหละสามารถจะบรรดาลความสุขให้กับเราได้ตลอดเวลาจะมีทรัพย์ใดนะที่ประเสริฐไปกว่าความสุขจากภายในนะทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันอาจจะให้ความสบายก็จริงนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะให้ความสุขที่แท้ได้แล้วความสุขที่แท้มก็มีอยู่กับเราทุกคนนะตามติด เราไปตลอดเวลาทรัพย์อย่างนี้เนี่ยหรือความสุขแบบนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดแม้แต่มิตรนะที่อยู่นอกตัวเราจะดีแค่ไหนจะประเสริฐแค่ไหนนะเขาก็มีวันที่ต้องล้มหายตายจากไป และถึงวันที่เขาล่วมหายใจจากไปนะเราก็ปวดเศร้าโศกเสียใจไม่ได้บางทีก็อยากจะคิดไปกับเขาด้วยเลยแต่ว่ามิธรที่อยู่กับเราตลอดเวลานี้จะไม่มีอาการอย่างนั้นก็สามารถจะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาและสามารถจะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริง บ่อยครั้งเนี่ยในเวลาที่เราทุกเนี่ยก็ไม่มีมิตรสหายคนไหนนะที่อยู่รอบข้างเดี๋ยวบางทีเขาอยู่กับเราแต่เขาก็ช่วยเราไม่ได้เช่นเวลาเราเจ็บเราป่วยเราป่วยเราเราเจ็บยังไงนะเขาอยากจะช่วยเราเขาอยากจะเจ็บปวดแทนเราเขาก็ทาไม่ได้ แม้กระทั่งพ่อหรือแม่เมื่อลูกเจ็บปวดอยากจะรับความปวดของลูกก็ยังไม่สามารถจะทําได้ในยามนั้นเนี่ยเราก็มีแต่ตัวเองนะเท่านั้นแหละนะที่จะเป็นที่พึ่งได้บางทีในภาะวะเช่นนั้นร่างกายก็เป็นที่พึ่งไม่ได้นะก็มีแต่จิตใจนะถ้าหากว่ามีใจเป็นมิตรนะมีจิตเป็นเพื่อนเนี่ย ก็สามารถที่จะทำให้ความทุกข์มันลดน้อยถอยลงไปได้สามารถจะเป็นปกติหรือว่ามีความสงบได้แม้ว่าจะเจ็บป่วยมากมายเพียงใดก็ตามก็มีแต่จิตใจแล้วในหน้าที่เวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเกิดเหตุคับขันขึ้นมาจึงจะช่วยได้ มีคนหนึ่งเขาเล่าว่ารถที่เขาขับนี่มันมันเกิดฉลับลงลงคลองลงคลองนี่มิดเลยนะน้ำมันค่อยๆไหลซึมเข้ามาในตัวรถทันทีแล้วก็ตกใจมากเพราะว่าถ้าน้ำท่วมรถนี่เขาก็ตายแนะ่ตอนนั้นจะเปิดประตูก็เปิดไม่ได้นะเพราะว่าความดันของน้าข้างนอกเนี่ยมันสูงมาก ใช่แล้วเขาก็ตั้งสติขึ้นมาได้แล้วเขาก็นึกเราเลึกขึ้นมาได้ว่าเคยมีคนบอกว่าเนี่ยถ้าน้ำเนี่ยมันค่อยค่อยไหลเข้ามาเข้ามาในตัวรถรอมาสักพักถ้าน้ำเนี่ยเกือบจะเต็มตัวรถเนี่ยความดันข้างนอกกับข้างในจะเท่ากันจะใกล้ๆกกันถึงตอนนั้นเนี่ยเปิดประตูรถเนี่ยก็จะไม่ยากอะไรเลย เขาก็รอนะเขาก็สงบก็รอจนกระทั่งน้ํานี่มันท่วมเข้ามาตัวรถแต่เขายังพอหายใจได้แล้วพอคิดว่าน้ํามันท่วมมาพอสมควรแล้วเขาก็เปิดประตูรถเปิดได้นะความดันน้ําที่มันเคยอัดเข้ามาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าความดันข้างนอกข้างในมันเท่ากันเขาก็เลยค่อยๆ อ, ออกมา แทรกตัวมาจากประตูรถก็เรียกว่ารอดตายในยามนั้นเนี่ยเพื่อนคนไหนก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าที่จริงก็ไม่มีใครรู้ได้ซ้ำแต่ว่าใจายองเขาที่มีสติที่ทำให้สามารถจะพาชีวิตเขารอดออกมาได้ไม่ใช่แต่ในยามที่เกิดเหตุคับขันนะนนเวลาที่ เกิดความพัดพลาดสูญเสียขึ้นมานะเกิดเหตุร้ายมากระทบกับคนที่เรารักถ้าว่าเรารักษาใจไว้ดีหรือว่ามีจิตเป็นเพื่อนเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะทรงจิตทรงใจเอาไว้ได้จริงความประเสริฐของจิตถ้าว่าเราสามารถจะ ทำให้จิตเนี่ยมาเป็นมิตรกับเราได้มันจะมีอนุภาพนะยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรามีความผันผวนป่ว น, ว, นวนแปรเกิดขึ้นกับชีวิตแค่ไหนนะเราก็จะยังเป็นสุขอยู่ได้หรือว่าเป็นปกติได้แล้วก็ตามในสิ่งหนึ่งที่เราต้องสำเหนียกเอาไว้นั่นก็คือว่าจิตเนี่ย เป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดของเราก็จริงนะแต่ว่าสามารถจะกลายเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดของเราก็ได้ทำไมนะหลายคนถึงกับฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นเพราะว่าไอความคิดหรืออารมณ์ที่มันท่วมท้นจิตใจอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาจากไห น, นก็มาจากการที่จิตใจปรุงแต่งหรือไปหยิบฉวย จิตเนี่ยมันสามารถจะกลับพลิกผันนี่กลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเราก็ได้หลายคนประชดตัวเองประชดตัวเองเพราะว่าคนรอบข้างไม่รักคนรอบข้างเขาดูถูกเขาไม่เห็นคุณค่าซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยกลับประชดตัวเองด้วยการ ทำสิ่งที่เลวร้ายกับตัวเองเช่นกินเหล้าเมายาหรือว่าไปทำตัวสำเมาเทเมาหรือสำสนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างหาทุกข์ใส่ตัวคนอื่นเนี่ยแม้เขาจะดูถูกแม้เขาจะารังเกียจเดียดฉันแต่เขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ทำเราได้มากกว่า น, นั้นแต่ถ้าจิตเนี่ยนะ มันเกิดพลิกพันเนี่ยนะมันก็สามารถจะทำร้ายตัวเราเองได้การประชดตัวเองด้วยการทำตัวให้ให้ย่ำแย่ให้เลวยิ่งกว่าเดิมเนี่ยก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะที่จิตสามารถจะทำได้จะเ่เราหรือว่าการคิดฟุ้งซ่านคิดจนเครียดคิดจนปวดหัวคิดจน รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วเจตที่มันปรุงแต่งหาเรื่องคิดที่มาซ้ําเติมทําร้ายตัวเองเนี่ยมันทําให้หลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเพราะว่าหนีไปไหนก็ไม่ได้ไม่ว่าจะหนีไปทางไหนมันก็ตามไปติดๆแล้วมันก็ปรุงแต่งหาเรื่องเอาอารมณ์ต่างๆเข้ามาทิมแทงจิตใจของเรา ซ้ำเติมให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไร้คุณค่าไม่มีประโยชน์พรอนี้ไปไหนไม่ได้ทําไงก็ตัดสินใจทําร้ายตัวเองฆ่าตัวตายไม่ใช่เพราะใครเลยนะแต่เพราะจิตเนี่ยที่มันพลิกผันกลายเป็นศัตรูของเราถ้าเราลองถามตัวเราเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูของเรา มันทำให้เรามีความสุขโป่่งโรงเบาสบายหรือว่าคับแค้นหนักอึ้งรู้สึกย่ำแย่อย่างแล้วก็ตามเนี่ยมันไม่เหลือเกินวิสัยนะที่เราเนี่ยจะสามารถทำให้จิตเนี่ยกลับมาเป็นมิตรของเราจิตจะเป็นมิตรของเราได้นะ ก็โดยการที่เราให้ความใส่ใจกับจิตใจทุกวันนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับจิตใจน้อยมากเราไปให้ความสําคัญกับร่างกายซะเยอะทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นการเปินเปอร่างกายเปิลเปอตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าเปิลเปอหรือว่าดูแลจิตใจน้อยเวลาที่เราให้ และเวลาที่หมดไปแต่ละวันนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของร่างกายซะเยอะเราให้เวลากับการชำระร่างกายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่การชำระจิตใจให้สะอาดผ่องแพร่นี่เรามีเวลาบ้างหรือเปล่าเรามีเวลาหาอาหารกายเราใส่ใจกับเรื่องการหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายอาหารดีๆราคาแพ ง, แพง แต่ว่าอาหารใจนี่เราเคยสนใจบ้างหรือเปล่าเรื่องพักผ่อนกายนี่เรามีเวลาให้วันหนึ่งก็6กเชั่วโมงเป็นอย่างน้อยอาจจะมากกว่านั้นได้ซ้ําแต่การพักผ่อนใจเนี่ยเรามีเคยมีเวลาให้5นาที10นาทีบ้างหรือเปล่าแน่นอนเห็นได้ว่านี่เราไม่ให้ความเป็นธรรมนะกับจิตใจของเรามากเท่าไหร่ เราละเลยจิตใจของเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกถ้าเกิดว่าจิตใจมันจะกลับมาทำร้ายเราสิ่งใดก็ตามนะที่ให้ความสุขกับเราถ้าเราไม่ดูแลนะมันก็สามารถกลายเป็นโทษได้รถยนต์สามารถจะพาเราไปเที่ยวตามที่ต่าง หลายคนก็มีความสุขกับการขับรถเล่นเพลินกินลมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรถนะเราไม่ดูแลรถเราใช้แต่รถแต่เราไม่ดูแลรถถ้าเกิดรถเสียขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นนะมันก็สามารถจะพาเราไปเจออุบัติเหตุถึงตายได้ร่างกายนี้เนี่ยนะมันมีประโยชน์กับเราสามารถจะ เป็นอุปกรณ์ให้เราได้พบกับความสุขได้รู้จักรสชาติของชีวิตจากการที่ได้กินอาหารอร่อยดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามที่ต่างๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ดูแลร่างกายเกิดอะไรขึ้นร่างกายเจ็บป่วยขึ้นมามันเหมือนกับว่าพาเราตกนรกเลยก็ว่าได้ร่างกายที่เคยให้ความสุขกับเรา มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทิมแทงเราทาให้เราเป็นทุกข์หลายคนทุกข์เพราะความเจ็บป่วยมากจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายในส่วนหนึ่งก็เพราะว่าละเลยละเลยร่างกายนี้บางทีไม่ใช่ละเลยเฉยๆนะเอาสิ่งที่เป็นพิษมาใส่ร่างกายนี้ด้วยบุหรี่ก็ดีเหล้าก็ดียาเสพติดก็ดี หรือว่าสารเคมีต่างๆนะที่มาในรูปของรสอร่อยให้เราไม่แค่ละเลยร่างกายแต่เราทําร้ายร่างกายของเราด้วยสิ่งที่เคยให้ความสุขก็เลยเปลี่ยนเป็นให้ความทุกข์กับเราทั้งชั้นนีก็ฉันนั้นจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าเราละเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นศัตรูของเราสามารถจะสร้างความทุกขกับเราได้มากมายนั้นถ้าเกิดว่า เราอยากจะให้ใจนี้นะมาเป็นมิแก่เราสามารถที่จะช่วยเราในยามทุกข์ให้กลับมาเป็นสุขสามารถที่จะพารา้อยพ้นจากอันตรายและสามารถที่จะอยู่ได้อย่างปกติสุขในทุกสถานการณ์เนี่ยเราก็ต้องให้เวลาจนะกจิตใจของเรานําสิ่งดีดีให้กับจิตใจของเราสิ่งดีๆนั่นก็เช่นบุญกุศลเช่นการทําความดี หรือว่าการเสพการรับสิ่งดีๆที่มันจะลงใจหนังหรือว่าสื่อที่เราเสพ บ, บ่อยครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะลงใจนะแต่มันทำให้เราโกรธเราเกลียดมันทำให้เราเกิดความโลภสิ่งนี้ต้องเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อาหารใจนะมันเป็นมันเป็นพิษต่อจิตใจแต่ถ้าเราเลือกรับ หรือเสพสิ่งที่ทาให้จิตใจสงบเป็นสิ่งที่ช่วยจะลงใจอย่างน้อยๆก็จะไม่ให้ทำให้ผ่อนคลายไม่ใช่ตึงเครียดหรือว่าดีกับนั้นก็คือนะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจสงบเจนซึ่งก็เกิดจากการที่เราได้ทำความดีการให้ทานการารักษาศีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยจะลงใจได้ นอกเหนือจากการเสพรับสื่อต่างๆที่มันช่วยทำให้ใจเราเป็นกุศลการฝึกฝนนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะการฝึกฝนจิตใจใจนี่ต้องฝึกนะเพราะถ้าฝึกแล้วเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพมีคุณภาพใหม่คุณภาพดีซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ใจเนี่ยมี สุขภาวะที่ดีแต่ว่ายัางช่วยทำให้ชีวิตของเราเนะจริญก้าวหน้าทำงานก็ทำงานได้อย่างมีความสุขการบริโภคเราก็ไม่ทำเกินตัวแล้วก็สามารถเรอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นได้การมาเจริญสติการมาทำสมาธิหรือภาวนานี่ก็จะเรียกวเป็นทั้งการฝึกฝน ขัดเกลาจิตใจก็ได้หรือว่าจะเป็นการเติมอาหารให้แก่จิตใจก็ได้นี่ทำให้ใจเรามีคุณภาพจนกระทั่งสามารถจะเป็นที่พึ่งของเราได้พวกเราคงคุ้นเคยกับพุทธภาสิต ท, ที่ว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนปุโรหิตจตัดชนิดก็เพราะรวกตนักว่าเนี่ยไม่มีมิตรอะไรที่จะดีไปกว่า จิตใจของเราหรือตัวเราเองแต่ว่าผู้เจ้าก็ไม่ได้ตัดแค่นี้นะพระองค์ตัดต่อไปว่าบุคคลที่ฝึกตนย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากเราจะมีตนเป็นเพื่อนที่ประเสริฐได้เราก็ต้องฝึกตนนะฝึกตนนะถึงจะได้ที่พึ่งอย่างแท้จริง ไม่ต้องดูอื่นไกลนะหมาเนี่ยนะหมาถ้าเราฝึกไว้ดีนะก็สามารถที่จะทําอะไรให้กับเราได้เยอะสามารถจะช่วยชีวิตเราก็ได้มันมีเรื่องของหมาจํานวนมากมายหนะ้าที่ช่วยชีวิตเจ้าของเอาไว้ให้พ้นจากความตายเช่นตกน้ําหรือว่าประสบอุบัติเหตุหัวใจวายมีหมามก็หาทางช่วยเจ้าของ หรือว่าเดี๋ยเช่นมามาที่ช่วยคนที่ติดทีมะเนี่ยมันก็ช่วยเจ้าของได้เพราะว่ามันได้รับการฝึกมาอย่างดีขนาดหมานี่มันยังทำอะไรได้ต้องเยอะแยะจิตใจเรานี่สามารถจะฝึกได้ยิ่งกว่าม้าสิและเพราะฉะนั้นมันก็จึงสามารถที่จะช่วยเราได้มากมายนถึงว่าเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง บุคคลที่ฝึกตนย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากก็มีที่นึงที่พระองค์ตัดไว้นะก็ชัดเจนมากขึ้นคือเมื่อช่วงตอนที่พระสายลูบุตรปรินิพานผู้คนก็เสียใจมากเพราะว่าท่านเป็นอรเสาวเบื้องขวาลูกศิล์ลูกหาก็เยอะผู้เจ้าก็เลย เตือนลูกศิษย์ว่าให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งคือว่าอย่าเอาใจไปผูกติดไว้กับผู้ใดอย่าไปฝากใจไว้กับใครอย่าไปพึ่งใครให้รู้จักมีตนเป็นเกาะเกาะ น, นี่คือเกาะกลางทะเลนะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งแลวพรมกงอธิบายว่า มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็หมายความว่ามีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเมื่อมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็ก็เท่ากับว่ามีตนเป็นที่พึ่งแล้วและท่านอธิบายต่อไปว่ามีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่รู้กายเวทนาจิตธรรม สติปัฏฐานสก็คือการฝึกใจนั่นเองฝึกใจให้ให้ตั้งมั่นในธรรมถ้าใงาเราเนี่ยมีสติเป็นเป็นที่ตั้งมีความรู้สึกตัวเป็นที่ตั้งก็เท่ากับว่ามีธรรมมเป็นที่พึ่งเมื่อมีธรรมมาเป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าสามารถจะมีตนเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงนั่นคือว่าเราได้พัฒนา จิตจ้งเราให้กลายเป็นมิติประเสริฐที่สุดซึ่งจะสามารถพาเราเอาชนะไม่ใช่แค่อุปสรรคต่างๆเท่านั้นแต่ยังสามารถเอาชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้แม้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะแต่ว่าใจนี่ก็สามารถจะพั ง, งาดเหนือวความแก่ความเจ็บความตายมีแต่กายที่ทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วย ไม่ว่าจะเกิดความแก่ความเจ็บหรือความตายก็แค่บีบคั้นกายแต่ว่าใจไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วยอันนี้แหละคือที่พึ่งที่ไม่มีใครจะทำได้พ่อแม่ก็ทำให้ไม่ได้นะเพื่อนที่ประเสริฐยังไงก็ทำให้ไม่ได้แต่ว่าจิตนี้สามารถจะทำได้